บุกทูสิบแปดทวารทําเมติามตการทำความสะอาดบ้านซัคลิสตาลากีกี บ, าากบวันนี้เป็นวันเสาร์ e รสชาบาาัติเ ทริบวันนี้เรามีเวลากวักก ว, กวันนี้เราจะทำความสะอาดอพาร์ตเมนต์นสบทรสปินส ผมกำลังทำความสะอาดห้องน้ำเมซเมนตอาบาซานัสเมซเมนตอบาซานัสภรรยาของผมกำลังล้างรถเชมิมาริเรตสมัคานัสเชมิกมาริเรสมัคานัสเด็กๆ ก, กำลังทำความสะอาดรถจักรยาน าวชเว บ, บิเมนดนนเวลโลซิปสาวชเวบิเมนดนนเวโลซิปสคุณย่าคุณยายกำลังรดน้ำดอกไม้เบบีเร์าววาวิลสเบบีราววาวิลสเด็กๆกำลังทำความสะอาดห้องเด็ก พ่อชวบีซับบัชวอุทักษ์อลาเก็บนพบีวว บ, าบา ว, วอทัอลาบภรยาของผมกำลังจัดโต๊ะทำงานของเธอชมิคมาิทวิสซาเซอรลชมิคมาริทาวิสซาเซอร์มากิดัสอลาเก็บ ส, ส ผมกำลังใส่ผ้าที่จะซักลงไปในเครื่องซักผ้าคามฟเาผมกำลังตากผ้าผมกำลังรีดผ้า เมื่อวทาททเวเมอว่ทั้เทร็วส์หน้าต่างสกปรกพันจระบียุชเชีย尼亚พันจรบีุชียพื้นห้องสกปรกเยื่ตาขุชียย่ตาขีชุชเีย จานชามสกปรกชูร์เจลีชูเชยีย尼亚ชูร์เจลีชูเชยีย尼亚ใครเช็ดหน้าต่างวินส์มนส์พันจรส์วิน์มน์พันจรส์ใครดูดฝุ่ น, ว, น, นวินีริบส์มตเวร์มตวส์สัสรูติด ใค ร, ร, สสรล้างจานวินเรดส์ของจูรจ์เลส